รู้รวมไม่ใจอย่างเดียวว่าอาณาปาณสติกรรมาฐานฐานพิธีตั้งแห่งสติคือลมในกายขเขาเหล่านี้ธาตุสีปัวิีธาตุคือธาตุดินส่วนที่มันแข็งก็เาเรียกธาตุดิน ว่าอยู่ธาตุธาตุลมธาตุ ท, ทิพัดเบื้องบนเบนืบ้องล่างลมทั่วทั้งร่างกายจนถึงลมหายใจถ้าเราหายใจเป็นปกติแสดงให้เรารู้ว่าในกายนี้ธาตุลมเป็นปกติ ทำใจให้มีสติรู้ลมหายใจลมหายใจนี่ยังให้กันอยู่สบายน้ำที่อากาศไม่ปกติ แล้วขึ้นไปมันเย็นทำให้ความเย็นเข้าสู่สมองให้เกิดสิงกานิการนามโมกในอาการสามสิบสองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปเจ้ากรรมเสกสรรให้เราอยู่สบายซึ่งมีอาการสามสิบสอง เรามาพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งแต่งตรนดให้เกิดญาณญาณลังนึกในกัชากายในกายอันนี้เหมือนนายแพทย์ที่เขาตรวจจะรู้อะไรมันส่วนใดมันเสียเขาจึงแก้ไขอันส่วนนั้น เธอเียกคอมีิเตอร์บ้างส่วนของร่างกายเขาคิดในวิชาการในทางศาสนานี่พรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญปัญญาบรารมียังรู้ขณีกรจชกาย ในธาตทั้งสี่เจนธาตน้ำอสูน้ำตาวาจูน้ำมันเหลวน้ำมูกน้ำไก่ข้อเหล่านี้เป็ น, นต้นเตโชธาตุทาให้กายอบอุ่น ย่อยอาหารในไกยของเราเนี่ยจะไม่มีทัดไฟย่อยอาหารอาการของร่างกายก็จะแปลเปลี่ยนแปลงแสดงถึงความทุกข์ต้องหาหมอต้องหานายแพทย์ช่วยเยียวยารักษาเพิ่มธาตุไฟฉะนั้น ผู้มาเจริญกรรมาฐานแต่ถ้งงั้นก็ต้องเพง่งธาตุไฟเตโชเตโชเตโชความในกายก็ออกบุญให้คุณนะเพื่อย่อยอาหารส่วนธาตุไฟเผาร่างกายให้ชุดโสมไปเจเราเรียกว่าชราครับ เราสวดมนท่องบนเพื่อมานํามาพิจารณาให้เข้าใจเวลามันเปลี่ยนไปเราจะเข้าใจในความเปลี่ยนไปนั้นเป็นธรรมดาเป็นวิชาของศาสนาเข้าใจมันต้องเปลี่ยนไปอย่างนั้นจึงทําใจของเราให้มีความรู้ความเข้าใจขึ้นมาไม่น้อยเนื้อต่ําใจ ทำให้ใจเรามีปัญญาคือยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่อย่างใดที่มีอยู่ก็ยินดีอย่างนั้นที่ยังให้ประโยชน์ได้อยู่เป็นสั จ, จธรรมแสดงความเป็นจริงเป็นจังของรูปธรรมธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุ ช่องว่างทางตาก็มีธาตุลมทางหูแต่ลมเดินปกติหูก็ไมๆถ้าถ้าหูอื้อจนปันเกินไปถ้าไม่หูมันเสียมันทนไม่ได้ที่เรามาเจริญกันมาฐานคือรู้ลมหายใจครับ เป็นอุบายที่จะลมนั่นเราก็สามารถที่ขยายลมให้ทั่วไปสารพรางกายได้ไม่อยู่อยู่กลุ่มเดียวกลุ่มหนึ่งแต่กาอยู่กลุ่มเดียวก็หนักกายจายกไปวิธีการเจริญกรรมฐานอุบายที่จะ ให้ร่างกายของเราเบานี้เราทําใจของเราให้มีธรรมะคือตัวสติคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจถ้าจิตของเรามีธรรมะคือสติลมหายใจองค์ของภาวนาที่ท่านตรัสว่าพุทธเจริญคือพุทโธพุทโธนเิเปรผู้รู้ รู้ธาตุลมรู้ลมข้าวก็ไม่รู้บางเกจิอาจารย์ท่านอธิบายว่าไม่ต้องอให้รู้ไว้รู้รวมไม้ใจไว้จิต ม, mm hmm. มันอยู่แนบสนิทกับรมไม้ใจความรู้นั้นก็ขยายไปเองกระจายไปเอง ในบทสวดมนที่เราผ่านตัวที่การทำสมาธิวิเวเจวะกาเมหิอากุสเลหิเพิกแต่ลเพิกเพิกอากุสลวิเวเจวะกาเมเพิกสิ่งที่เพลิดเพลิน สิ่งที่เพลรดเพไม่มีประโยชน์อะไรกับร่างกายและจิตใจในเมื่อเราไม่เข้าใจก็หลงไปตามสิ่งมันที่ยเพลิดเพลินนี่มีเด็กเด็กสามคนผู้หญ้งทั้งนั้น แปดขวบเก้าขวบสิบขวดมันไปลงไปเล่นนะไปฝังไม่น้ำเมีผู้มาชวนมันมีเด็กเยอะทำให้เพลิดเพลินเด็กนั้นก็ลงไปในน้ำนะเน้มันรูไม่ได้น้ำเด็กแปดขวบเก้าขวบสิบขวบ อันตรายถึงแก่มรณะกรรมนี่ไปรถน้ำศกเองไม่ใช่เล่นนะสิ่งที่มันเพลิดเพลินครับกับพระเจ้าแต่มากาเมหิอากุสะเลหิอากุสนวิตกอากุสุนคือความไม่ฉลาดในจิตที่เราคิดผิดคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็แล้วคิดผิดมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิดแต่ในมรรคไม่องแปดสำมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนั่นดุเยานังยานย่างรู้ในความทุกข์ นุกแค่ยานังอย่างรู้ในความลึกลงไปเลยแต่ต้องจะเดินภาวนากันนานๆนนต้องเอาจริงเอาจังนี่ตามหลักเหตุผลครับที่ผมก็าว่าไปตามเหตุผลไม่ใช่เราได้นะตัวทุกข์ทุกข์กันแปลว่าหนักครับ ตายของเราหนักเออเหมือนอย่างลุงพี่เป็นเนบชามันหนักเพราะสภาวะที่มันหนักอยู่โดยสภาพที่มันเป็นเองมันอยู่โดยอิริยาบถหนึ่งแต่ถ้าจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐ า, านรู้ลมหายใจ ก็อย่าบอกเหยียเบูท่านว่าเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กอย่าไปบังคับมันมันลงง่ง่ายกว่าตามใจมันสนุกสนานไปอย่างไรตามใจมันเราตรวจตราพิจญญารณาให้เป็นอันตรายก็แล้วกัน ชนไปวิ่งไปวิ่งมาจนนอนโมบหลับไปเองจิตของเรามันวิ่งวิ่งไปรับเรื่องอารมณ์ต่างๆพระพุทธเจ้าปั้นดานังปั้นแจั้นดานังจิตตังดูระคั่งดูนิวารรนังจิตนี้มันดิ้นรนปัดแวง แสดงอุปามาเหมือนกับดิงน่ยดิงมันอยู่ไม่นิ่งนะครับไปจับกิ่งนั้นไปจับกิ่งนี้ไปจับกิ่งนั่นจิตของเราก็ะมันมาจับอารมณ์อดีตท่านพ่ออธิบายสัญญาอารมณ์ที่ร่วงมาแล้วเราเป็นเด็กๆถ้าเราไปปล่อยไม่กินไปนะครับเราจะเป็นอะไรมาเป็นเด็กๆ สนุกสนานในสมัยอยู่ในโรงเรียนทำเป็นทเพื่อมันปรากฏขึ้นมานี่ท่นว่าสัญญาอารมณ์อันเป็นส่วนอดีตครับสัญญาอารมณ์ในอนาคตรเราคิดไปแต่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราคิดและทำมันไม่สําเร็จประโยชน์เพราะเราต้องการทําจิตของตนให้อยู่กับที่ ไม่ปัดแปลงดิ้นรนไปเรื่องอื่นจนถึงว่ามีสัทมะคือสติดึงจิตห้อยู่กับลมหายใจลมหายใจนี้เป็นธรรมาชาติมันเป็นไปของมันเองลมข้าวลมบอกเป็นไปของมันเองธาตุเป็นทําหน้าที่ของธาตุแต่เรามีธรทมะคือสติดูลมหายใจก็แล้วกันอย่าไป วุ่นวายอะไรกับมันดูว่าลมหายใจมาหายใจเข้าหายใจออกแต่เราหายใจเข้าไม่ได้ออกก็ชีวิตนี้มันรู้ทันทีมันอยู่ไม่ได้ดครับมันต้องสลายมันแยกกันมันไม่กลมเกลียวกันถทานตั้งีจตะกลมเกลียวก็เป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้เลยครับจนถึงอายุไขนในสัจธรรมอันนี้ คือสามะคัคคีกันอยู่มันรำมานตามหน้าที่ของของธาตุธาตุดินก็มีน้ำที่ซึมซาบเข้าไปได้ถ้าซึมซาบไม่ได้ก็กายของเราก็เป็นไปไม่ได้ถึงข้าว ต, ตรงไปอยู่ห้องไอซ i c ูไอซก็ให้อายใจทาให้พอหายใจพอแก้ไปแล้วนะ นิเดวาธาตุน้ำคือซึมซาบเข้าสู่ธาตุดินทำให้ธาตุดินอ่อนระรวยคู้เยียดคู่เยียดเดินหน้าเดินหลังจะลุกจะนั่งคร่องีเรียกว่า ธาตน้ำซึมก็ไปเลยธาตุดินแต่าตลมมันทำให้กายน่ไว้ได้ละลมมันเดินทั่วธรราระบางกายตัณว่ากายเบากายอานาคือกายเบาลมไม่ต้องเอาอะไรไปกดมันบังคับมันกายมันเบา มันเป็นได้อย่างนั้นตรงเจริญโดยความชนานาญครับภาษาวา่าความชนานาญแปลว่าศีเหมือนคนทำอะไรทุกอย่างก็ไปดูแล้วก็ทางานความชำนาญของกิจการของเขาคนจะเจริญกรรมฐ า, านกรรมธรานจนชนานาญท่านแต่ว่าศีอธิฐานวาศีอยู่ในรูปใดสามารถควบคุมจิตให้อยู่ มีธรรมะคือสติเพยงเครื่องรู้ในขั้นต้นคือรู้ลมหายใจตัวพุโทโธตัวภาวนารู้อยู่ภาวนาคือการทำติดต่ออะไรถ้าเราทำติดต่อกันไปรู ป, ปากายของเรานี่มันติดต่ออยู่ด้วยครับ มันทำงานติดต่อครับเราไม่ได้บังคับอะไรหรอกครับมันติดต่ออยู่อย่างนี้่หน้าที่ของเราอยู่ในทางเราจะทําอะไรเราก็ล้างอย่งว่าตื่นเช้าล้างหน้าล้างตาแปลงฟันเราทําหน้าที่ทำขั้นตน้นเราทําให้เป็นกับมารดาบิดาเอาแปลงฟันมาต้องมาช่วยถูให้หรืออะไรอย่างเนี้หรื อ, ออาบน้ำให้ หนุ่ง้าให้อะไรทุกอย่างอะครับมารดาบีดาทําให้ลูกผู้ที่เติบโตกันมามีลูกมาทำมาอีกแมันเป็นไปอย่างนี้แหละครับเราไปเห็นคือความเป็นไปของสิ่งที่สิ่งเวดร้อนแต่นี้มันประโตเราก็ทําไปตามความต้องการมันต้องเป็นไปตามเครื่องยนต์ครับ เมือนครื่องยนต์ของรถยนต์เรารักษาความสะอาดของเครื่องยนต์แล้วใช้ไม่ไหลมืออีกแต่ใช้ไหลมือไม่ได้หยาบไม่ได้อีกในกายของเรานี้เราหยาบไม่ได้ไม่เราจะขอไปเราจะเดิอนหยาบกันไม่ได้บางทีมันผืดที่พระเราเดิอนหยาบไปตกตกเลื่อนน่ะถึงแก่มรณะกรรมได้ เราหยาบต้องระวังใจของเราถ้ามีสติก็ระวังคุมอยู่ได้การตรัสไว้สติสังมดกัน้นด้วยสติธรรมะคือจิตที่เรามีสติรู้รู้ลึก ไปถึงอดีตแต่ชาตินความฉลาดก็เกิดขึ้นสมัยนี้เขาไอคที่เราบำเพ็ญความดีอย่างใดอย่างหนึ่งลูกความฉลาดแห่งจิตที่เรามงังัดภาวนาก็ได้แก่ตัวพุทธะ ุทธมีสติเป็นเครื่องตื่นรู้รวมหัยใจรู้รวมหัยใจถ้าเป็นไปในรูปของการภาวนาวิตกตรึกอยู่นึกอยู่ด้วยนึกรู้รวมอยู่ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแม้จะหลับก็รู้อยู่กายนีมน้มันเปลี่ยนอิริยาบทไปตามลูกบาธรรม ม, มันเหนื่อยก็พักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบทหลับไปเพื่อนั่นไขความมาพระพุทธเจ้า ในยามสามต้องตรวจดูจัตวาโลกจัตวาโลกที่หลับสนิทของร่างกายประวงกระจงจงขายพยานตรวจดูโรค ดูสตัตว์โลกดูจิตจิตของสตัตว์โลกมันเที่ยวไปนะ่ะครับกายมันกายมันบันเรือนใจมันจะของเรือน เดือนอยู่บางทีเจ้าของเดือนไม่อยู่ไปอื่นแต่พูดเด้เจ้าจึงใช้ทรงใช้พระยานทรงเป็นของวิเศษไปจับจับของวิญญาณ น, นั่นแหะครับรู้วิญญาณที่มันเที่ยวจับก็บมา รู้วิญญาณนั้นต้องการอะไรตรงจึงแต่งวิญญาณนั้นวิญญาณของสัตว์ที่มันเที่ยวไปเมื่อวลานี้สมัยนี้นควรจขฝันไปจริงจริงด้วยนะฝันไปเรื่อยล่ะเพราะในขณะนั้นมันขาดธรรมะคือบทสติในเมื่อฝึก จิตดนธรรมะคือเกิดเป็นตัวตัวฌานขึ้นมามีวิตตปรึกอยู่รักษาจิตอยู่กับลมหายใจวิจารณพิจารณาส่องดูทั่วธั้งร่างกายในกายเนี่ยสองไป มันก็ใช้เอ็กเรยคอมพิวเตอร์รู้มจะแก้ไขยังไรทองจับจิตอีกเรดาร์พระปัญญาของพระพุทธเจ้าจับเรดาร์คือจิตของสัตว์สามารถแต่งจิตของสัตว์ให้อยู่ในเหตุผลมาอยู่ในเหตุผลอะไรอยู่ในวิวจารณ์ปิตินะ กับจิตเลยจิตมันอยู่นิ่งครับอยู่ด้วยธรรมะนิ่งไปไม่ได้ที่กะปิติจิตนั้นอยู่กับกายจึงทำให้กายมันเบาอ่อนชรลวยความสุขทางจิตมไม่มีอาหารคือตัวฌาน ตัวฌานคือเผาอารมณ์ครับอารมณ์ถิงที่ไม่ดีมันเผาครับตอนตัวฌานเหมือนกับเราติดไฟให้โคลงแล้วอารมณ์ข้ามามันก็เผาเลยครับเป็นหน้าที่เผาไม่รบกวนจิตเพราะงั้นจิตที่คนที่เป็นสมาธิจิตดี มีคนคนหนึ่งอายุเก้าสิบปีก็ทำงานได้จำแม่นจำทำงานเป็นปกติแล้วดูอารมณ์ของบุคคลที่นี้อารมณ์ดีๆครับคืออารมณ์ของผู้ที่มีธรรมะ ค, คือสติไม่ไปในอารมณ์ที่เสียครับไม่ตกไปในฝ่ายต่ําท่านใช้อารมณ์ที่มีคุณาภาพขึ้นมา กิจที่มีคุณภาพคือมีธรรมะคือสติรรที่เห็นประโยชน์ในการบริหารกายเห็นประโยชน์ในการบริหารใจตรึกพิจารณา ด, ดูดูดูอารมณ์เห็นเห็นธาตุในกายอากาศธาตุ ที่มันเดินทาช่องว่างไม่เป็นอากาศที่เสียอากาศที่บริสุทธิ์วิญญาณอาตอีกรู้วิญญาณอาตาตวิญญาณอ า, า, า, าตาเป็นธาตุตาตาไปอะไรก็คุมคุมธาตุไม่เอาสิ่งที่มา สรงเข้าสู่ใจครับเหมือนอาหารที่มีคุณาภาพาอาหารเสียเราก็ไม่ฉันญาณโยมก็ไม่เอามาให้ฉันดาบวิญญาณาธาคือถ้ารู้ทางต า, าก็จะกุวิญญาณครับตาเห็นรูปเอาสิ่งที่ เอาเดมาให้หวงใจอา่านของใจเย็นมโน o ันเจตนา a า a อานคือเจตนาคือเจตนาทําความดีปัจจอาหารอาหารที่มาปัจจามาสัมผัสดึงจริงที่สัมผัสที่มีคุณภาพมา จนสัมปัตตางตาแล้วนำเข้าไปสู่ใจนำานําอารมณ์ที่ดีเข้าสู่ใจเรียก ว, วิญญาณาธาตุคือธาตรู้สติธรรมะคือสติสตินิขันคันธรมธรมดาธรรมดา แตนอุปมาเหมือนกับสติตัวนี้คือมัรดาของเราเราท่านทุกคนต้องมีมัรดาเลี้ยงบุตธรธดาเาที่แบบโดดไปรอดจากปากเย้ปากตาเราไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งเบรด้อำต่างๆก็ราะมันดาเลี้ยงรักษาเรามาธรรมะก็เหมือนกันตัววิญญาณได้ทำนำสิ่งที่ดีเข้าสู่ใจนำอารมณ์ ที่ดีเข้าสู่ใจแล้วก็จากคูวิญญาณครับจนเป็นคู่กันครับหรือในยานหนึ่งท่านเรียกว่าอายรนะครับภาษาธรรมะรูปอายรนานำอา ร, ร, รูปที่ดีเข้ามาครับูปกรมมฐานที่เราได้ผ่านกัน ศึกษาในการปฏิบัติเรามีบุญมาแล้วหลายภพหลายชาติที่เราเกิดมาในศาสนาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วเรามีบุญอยู่แล้วครับเราต้องเห็นบุญในการที่เรามาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาวันหนึ่งวันหนึ่งสิ่งที่ผ่านทางสายตาจ น, นเครื่องต่อครับ รูปอาณอาญาณคือรูปจักว่าอาณอาญาณคือตามาสัมผัสมันนํามันเป็นเหตุในในที่รูปที่ดีนะมีคุณภาพอะไรๆที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์กับกับร่างกายและเป็นประโยชน์กับจิตใจคือจิตใจคือได้อารมณ์ที่ดีครับ โซตายตนาอเยตนาคือ oh. ผู้ได้ยินเสียงแล้วมีสัตว์ยเสียงที่มามีปัญญาทัวปัญญาที่เป็นผู้นำความดีพิจารณาเสียงที่ไพเราะเสียงที่มีประโยชน์ครับเสียงที่มีคุณภาพ่า้ประโยชน์กับใจครับ ถออึงเวลานั้นอาจจะเมื่อเสียงที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาทํากิจเมเทวดามาปลุกให้เราตื่นครับมีอันตรายเกิดขึ้นมาปลุกให้ตื่นขึ้นมาครับมีอันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นปลุกให้ตื่น mm hmm. ดีก็เรียกว่าเสียงที่ดีครับอันนี้เราต้องบําเพ็ญความดีครับแต่เราไม่บำเพ็ญกับเสียงความดีมาเทวดา เทวดามีหน้าที่อารักขาร